ไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยเล่มที่สิบสองพระสุตันตปิฎกมัชิมานิกายมูลปัญ น, นาพระสุตันตปิฎกมัชิมานิกาย มูลปันนาคขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งมูลปริยยววัคหมวดว่าด้วยมลเหตุแห่งธรรมหนึ่งมูลปริยยสูตรว่าด้วยมลเหตุแห่งธรรมเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคนไม้รังใหญ่ในสุภควัน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 ไม่ได้รับคําแนะนําในธรรมของพระอริยะไม่ได้พบสัตบุรุษทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับคําแนะนําในธรรมของสัตบุรุษหมายรู้ปัทวีดินโดยความเป็นปัทวีครั้นหมายรู้ปัทวีโดยความเป็นปัทวีแล้วกําหนดหมายซึ่งปัทวีกําหนดหมายในปัทวีกําหนดหมายนอกปัทวีกําหนดหมายปัทวีว่าเป็นของเรายินดีปัทวี ข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กําหนดรู้หมารู้อาโปน้ําโดยความเป็นอาโปครั้นหมายรู้อาโปโดยความเป็นอาโปแล้วกําหนดหมายซึ่งอาโปกําหนดหมายในอาโปกําหนดหมายนอกอาโปกําหนดหมายอาโปว่าเป็นของเรายินดีอาโปข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กําหนดรู้ หมายรู้เตโชไฟด้วยความเป็นเตโชครั้นหมายรู้เตโชด้วยความเป็นเตโชแล้วกําหนดหมายซึ่งเตโชกําหนดหมายในเตโชกําหนดหมายนอกเตโชกําหนดหมายเตโชว่าเป็นของเรายินดีเตโชข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กําหนดรู้ไมายรู้วาโยลมโดยความเป็นวายโญครั้นหมายรู้วาโยด้วยความเป็นวาโยแล้ว กำหนดหมายซึ่งวายโยกำหนดหมายในวายโยกำหนดหมายนอกวายโยกำหนดหมายวายโยว่าเป็นของเรายินดีวายโยข้อนั้นเพราะเหตุไรเราเกล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กําหนดรู้หมายรู้พูดโดยความเป็นพูดครั้นหมายรู้พูดโดยความเป็นพูดแล้วกําหนดหมายซึ่งพูดกําหนดหมายในพูด <ๆ S 1> กําหนดหมายนอกพูด กำหนดไมายพูดว่าเป็นของเรายินดีพูดข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กําหนดรู้ไมายรู้เทวดาโดยความเป็นเทวดาครั้นหมายรู้เทวดาโดยความเป็นเทวดาแล้วกําหนดหมายซึ่งเทวดากําหนดหมายในเทวดากําหนดหมายนอกเทวดากําหนดหมายเทวดาว่าเป็นของเรายินดีเทวดาข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่า เพราะเขาไม่ได้กําหนดรู้หมายรู้ประชาบดีโดยความเป็นประชาบดีครั้นหมายรู้ประชาบดีโดยความเป็นประชาบดีแล้วกำหนดหมายซึ่งประชาบดีกำหนดหมายในประชาบดีกำหนดหมายนอกประชาบดีกำหนดหมายประชาบดีว่าเป็นของเรายินดีประชาบดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กําหนดรู้หมายรู้พรหมโดยความเป็นพรหม ครั้นหมายรู้พรหมโดยความเป็นพรหมแล้วกาหนดหมายซึ่งพรหมกาหนดหมายในพรหมกาหนดหมายนอกพรหมกาหนดหมายพรหมว่าเป็นของเรายินดีพรหมข้อนั้นเพราะเหตุใดเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กาหนดรู้หมายรู้อาัสระพรหมโดยความเป็นอาัสระพรหมครั้นหมายรู้อาัสระพรหมโดยความเป็นอาัสระพรหมแล้วกำหนดหมายซึ่งอาพัสระพรหม กำหนดหมายในอาพัสระพรมกำหนดหมายนอกอาพัสระพรมกำหนดหมายอาพัสระพรมว่าเป็นของเรายินดีอาพัสระพรมข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กำหนดรู้หมายรู้สุภกินหพรมโดยความเป็นสุภกินหพรมครันหมายรู้สุภกินหพรมโดยความเป็นสุภกินหพรมแล้วกำหนดหมายซึ่งสุภกินหพรม กำหนดหมายในสุภกินหพรมกำหนดหมายนอกสุภกินหพรมกำหนดหมายสุภกินหพรมว่าเป็นของเรายินดีสุภกินหพรมข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กำหนดรู้หมายรู้เวหะพละพรมโดยความเป็นเวหะพละพรมครันหมายรู้เวหะพละพรมโดยความเป็นเวหะพละพรมแล้วกาหนดหมายซึ่งเวหะพละพรม กำหนดหมายในเวหาภะพรหมกำหนดหมายนอกเวหาภะพรหมกำหนดหมายเวหาภะพรหมว่าเป็นของเรายินดีเวหาภะพรหมข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กําหนดรู้หมายรู้อภิภูษัตทโดยความเป็นอภิภูษัทครั้นหมายรู้อภิภูษัตทโดยความเป็นอภิภูษัทแล้วกําหนดหมายซึ่งอภิภูษัทกําหนดหมายในอภิภูษัท กำหนดหมายนอกอภิภูษัทกำหนดหมายอภิภูษัตว่าเป็นของเรายินดีอภิภูษั์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กำหนดรู้หมายรู้อาการสานัญญาตนะพรมโดยความเป็นอาการสานัญยาตนะพรมครั้นหมายรู้อาการสานัญยาตนะพรมโดยความเป็นอาการสานัญยาตนะพรมแล้ว กำหนดหมายซึ่งอากาสานัญจาตนะพรมกำหนดหมายในอากาสานัญยาตนะพรมกำหนดหมายนอกอากาสานัญจาตนะพรมกำหนดหมายอากาสานัญยาตนะพรมว่าเป็นของเรายินดีอากาสานัญยาตนะพรมข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กาหนดรู้หมายรู้วิญญาณัญญาตนพรมโดยความเป็นวิญญาณัญญาตนาพรม ครันหมายรู้วิญญาณัญจายตนะพรมโดยความเป็นว like ิญญาณัญจายตนะพรมแล้วกําหนดหมายซึ่งวิญญาณัญจายตนะพรมกําหนดหมายในวิญญาณัญจายตนะพรมกําหนดหมายนอกวิญญาณัญจายตนะพรมกําหนดหมายวิญญาณัญจายตนะพรมว่าเป็นของเรายินดีวิญญาณัญจายตนะพรมข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กําหนดรู้ หมายรู aya aya ้อากินจัญญาจตนะพรมโดยความเป็นอากินจัญญาจตนะพรมครั้นหมายรู้อากินจัญญาจตนะพรมโดยความเป็นอากินจัญญาจตนะพรมแล้วกําหนดหมายซึ่งอากินจัญญาจตนะพรมกําหนดหมายในอากินจัญญาจตนะพรมกําหนดหมายนอกอากินจัญญาจตนะพรมกําหนดหมายอากินจัญญาจตนะพรมว่าเป็นของเรายินดีอากินจัญญาจตนะพรม ข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กําหนดรู้หมายรู้เนวสัญญานาสัญญายตนะพรมโดยความเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะพรมครั้นหมายรู้เนวสัญญานาสัญญายตนะพรมโดยความเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะพรมแล้วกําหนดหมายซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะพรมกําหนดหมายในเนวสัญญานาสัญญายตนะพรม กำหนดหมายนอกเนวสัญญานาสัญญายตนะพรมกำหนดหมายเนวสัญญานาสัญญายตนะพรมว่าเป็นของเรายินดีเนวสัญญานาสัญญายตนะพรมข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กําหนดรู้หมายรู้รูปที่ตนเห็นโดยความเป็นรูปที่ตนเห็นครั้นหมายรู้รูปที่ตนเห็นโดยความเป็นรูปที่ตนเห็นแล้วกําหนดหมายซึ่งรูปที่ตนเห็น กำหนดหมายในรูปที่ตนเห็นกำหนดหมายนอกรูปที่ตนเห็นกำหนดหมายรูปที่ตนเห็นว่าเป็นของเรายินดีรูปที่ตนเห็นข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กำหนดรู้หมายรู้เสียงที่ตนได้ยินเดือความเป็นเสียงที่ตนได้ยินครั้นหมายรู้เสียงที่ตนได้ยินเดือความเป็นเสียงที่ตนได้ยินแล้วกาหนดหมายซึ่งเสียงที่ตนได้ยินกาหนดหมายในเสียงที่ตนได้ยิน กำหนดหมายนอกเสียงที rauen, ่ตนได้ยินกำหนดหมายเสียงที่ตนได้ยินว่าเป็นของเรายินดีเสียงที่ตนได้ยินข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กำหนดรู้หมายรู้อารมณ์ที่ตนทราบโดยความเป็นอารมณ์ที่ตนทราบครั้นหมายรู้อารมณ์ที่ตนทราบโดยความเป็นอารมณ์ที่ตนทราบแล้วกำหนดหมายซึ่งอารมณ์ที่ตนทราบกำหนดหมายในอารมณ์ที่ตนทราบกาหนดหมายนอกอารมณ์ที่ตนทราบ กำหนดหมายอารมณ์ที่ตนทราบว่าเป็นของเรายินดีอารมณ์ที่ตนทราบข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กำหนดรู้ไมายรู้อารมณ์ที่ตนรู้แจ้งโดยความเป็นอารมณ์ที่ตนรู้แจ้งครั้นหมายรู้อารมณ์ที่ตนรู้แจ้งโดยความเป็นอารมณ์ที่ตนรู้แจ้งแล้วกำหนดหมายซึ่งอารมณ์ที่ตนรู้แจ้งกำหนดหมายในอารมณ์ที่ตนรู้แจ้งกำหนดหมายนอกอารมณ์ที่ตนรู้แจ้ง กำหนดหมายอารมณ์ที่ตนรู้แจ้งว่าเป็นของเรายินดีอารมณ์ที่ตนรู้แจ้งข้ อ, อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กําหนดรู้หมายรู้ความที่จิตเป็นชานะสมาบัติเป็นอ really ันเดียวกันโดยความเป็นอันเดียวกันครั้ okay. นหมายรู้ความที่จิตที่เป็นชานะสมาบัตเป็นอันเดียวกันโดยความเป็นอันเดียวกันแล้วกําหนดหมายซึ่งความที่จิตที่เป็นชานะสมาบัติเป็นอันเดียวกัน กำหนดหมายในความที่จิตที่เป็นชานสมาบัตเป็นอันเดียวกันกำหนดหมายนอกความที่จิตที่เป็นชานสมาบัตเป็นอันเดียวกันกำหนดหมายความที่จิตที่เป็นชานสมาบัตเป็นอันเดียวกันว่าเป็นของเรายินดีความที่จิตที่เป็นชานสมาบัตเป็นอันเดียวกันข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กำหนดรู้หมายรู้ความที่กรมจิตต่างกันโดยความเป็นของต่างกัน ครั้นหมายรู้ความที่กรรมจิตต่างกันโดยความเป็นของต่างกันแล้วกําหนดหมายซึ่งความที่กรรมจิตต่างกันกําหนดหมายในความที่กามจิตต่างกันกําหนดหมายนอกความที่กามจิตต่างกันกําหนดหมายความที่กามจิตต่างกันว่าเป็นของเรายินดีความที่กามจิตต่างกันข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กําหนดรู้ไมายรู้สากกายะทั้งปวงโดยความเป็นสากกายะทั้งปวง ครั้นหมายรู้สักกายะทั้งปวงโดยความเป็นสักกายะทั้งปวงแล้วกำหนดหมายสึ่งสักกายะทั้งปวงกำหนดหมายในสักกายะทั้งปวงกำหนดหมายนอกสักกายะทั้งปวงกำหนดหมายสักกายะทั้งปวงว่าเป็นของเรายินดีสักกายะทั้งปวงข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กำหนดรู้หมายรู้นิพพานโดยความเป็นนิพพานครั้นหมายรู้นิพพานโดยความเป็นนิพพานแล้ว กำหนดหมายซึ่งนิพพานกำหนดหมายในนิพพานกำหนดหมายนอกนิพพานกำหนดหมายนิพพานว่าเป็นของเรายินดีนิพพานข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กําหนดรู้กําหนดภูมิตามในที่หนึ่งว่าด้วยปุถุชนจบ กำดภูมิตามในที่สองว่าด้วยเสขารุคคลภิกษุทั้งหลายภิกษุใดยังเป็นเสขารุคคลไม่ได้บรรลุอรหัตผลปรารถนา ร, รมเป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู่แม้ภิกษุนั้นก็รู้ยิ่งปัทวีโดยความเป็นปัทวีครั้นรู้ยิ่งปัทวีด้วยความเป็นปัทวีแล้วอย่ากําหนดหมายซึ่งปัทวีอย่ากําหนดหมายในปัทวีอย่ากำหนดหมายนอกปัทวี อย่ากำหนดหมายปัทวีว่าเป็นของเราอย่ายินดีปัทวีข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาควรกำหนดรู้ละถึงรู้ยิ่งอาโปเตโช ว, วาโยผู้เทวดาประชาบดีพรมอาภัสระพรมสุภกินหพรมเวหาพละพรมอภิภูษั์อากาสานัญจายตนะพรมวิญญาณัญจายตนะพรม อากินจัญญายตนะพรมเนวสัญญานาสัญ ญ, ญายตนะพรมรูปที่ตนเห็นเสียงที่ตนได้ยินอารมณ์ที่ตนทราบอารมณ์ที่ตนรู้แจ้งความที่จิตที่เป็นชานสมาบัตเป็นอันเดียวกันความที่กรรมจิตต่างกันสกกายะทั้งปวงรู้ยิ่งนิพพานโดยความเป็นนิพพานครั้นรู้ยิ่งนิพพานโดยความเป็นนิพพานแล้วอย่ากำหนดหมายซึ่งนิพพานอย่ากำหนดหมายในนิพพาน อย่ากำหนดหมายนอกนิพพานอย่ากำหนดหมายนิพพานว่าเป็นของเราอย่ายินดีนิพพานข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาควรกำหนดรู้กำหนดภูมิตามในที่สองว่าด้วยเซขาบุคคลจบ กำหนดภูมิตามในที่สามว่าด้วยพระขีนาศพภิกษุทั้งหลายภิกษุใดเป็นอรหันตขีนาศพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทากิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุ ป, ประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภาวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบแม้ภิกษุนั้นก็รู้ยิ่งปทวีโดยความเป็นปัทวีครันรู้ยิ่งปทวี้วยความเป็นปทันป ท, วววปนปทวีแล้ว ไม่กำหนดหมายซึ่งปัทวีไม่กำหนดหมายในปัทวีไม่กำหนดหมายนอกปัทวีไม่กำหนดหมายปัทวีว่าเป็นของเราไม่ยินดีปัทวีข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขากำหนดรู้แล้วและถึงรู้ยิ่งอาโปเตโช ว, วายโยพูดเทวดาประชาบดีพรมอาพัสระพรหมสุภกินหพรมเวหพลพรมอภิภูษั อากาสานาัญจายตนะพรมวิญญาณัญจายตนะพรมอากินจัญญายตนะพรมเนวสัญญานาสัญญายตนะพรมรูปที่ตนเห็นเสียงที่ตนได้ยินอารมณ์ที่ตนทราบอารมณ์ที่ตนรู้แจ้งความที่จิตที่เป็นชานสมาบัตเป็นอันเดียวกันความที่กามาจิตต่างกันสกายะทั้งปวงรู้ยิ่งนิพพานโดยความเป็นนิพพานครั้นรู้ยิ่งนิพพานโดยความเป็นนิพพานแล้ว ไม่กำหนดหมายซึ่งนิพพานไม่กำหนดหมายในนิพพานไม่กำหนดหมายนอกนิพพานไม่กำหนดหมายนิพพานว่าเป็นของเราไม่ยินดีนิพพานข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขากำหนดรู้แล้วกำหนดภูมิตามในที่สามว่าด้วยพระขีณาสพจบ หมภูมิตามในที่สี่ว่าด้วยพระขี่นาศพภิกษุทั้งหลายภิกษุใดเป็นอรหันตขี่นาศพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทําเสร็จแล้วปล่งภาระได้แล้วบรรลุ ป, ประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชนแล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบแม้ภิกษุนั้นก็รู้ยิ่งปัทวีด้วยความเป็นปัทวีครั้นรู้ยิ่งปัทวีด้วยความเป็นปัทวีแล้ว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 เพราะตะถาคตกำหนดรู้ปฐวีนั้นแล้วและถึงรู้ยิ่งอาปโปเตโช ว, วายโยผู้เทวดาประชาบดีพรมอาพัสระพรมสุภกินหะพรมเวหพละพรมอภิภูษัทอากาสานาัญจายตนะพรมวิญญาณัญจายตนะพรมอากินจัญญาญยตนะพรมเนวสัญญานาสัญญาญยตนะพรมรูปที่ตนเห็นเสียงที่ตนได้ยิน อารมณ์ที่ตนทราบอารมณ์ที่ตนรู้แจ้งความที่จิตเป็นชานะสมาบัติเป็นอันเดียวกันความที่กลามาจิตต่างกันสักกายะทั้งปวงรู้ยิ่งนิพพานโดยความเป็นนิพพานครั้นรู้ยิ่งนิพพานโดยความเป็นนิพพานแล้วไม่กําหนดหมายซึ่งนิพพานไม่กําหนดหมายในนิพพานไม่กําหนดหมายนอกนิพพานไม่กําหนดหมายนิพพานว่าเป็นของเราไม่ยินดีนิพพานข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่า เพราะตถาคตกำหนดรู้นิพพานนั้นแล้วกำหนดภูมิตามในที่7ว่าด้วยพระตถาคตจบกำหนดภูมิตามในที่8ว่าด้วยพระตถาคตภิกษุทั้งหลาย แม้ตาถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รู้ยิ่งปัทวีด้วยความเป็นปัทวีครั้นรู้ยิ่งปัทวีด้วยความเป็นปัทวีแล้วไม่กําหนดหมายซึ่งปัทวีไม่กําหนดหมายในปัทวีไม่กําหนดหมายนอกปัทวีไม่กําหนดหมายปัทวีว่าเป็นของเราไม่ยินดีปัทวีข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะรู้ว่าความเพลิดเพลินเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์เพราะมีพบชาติจึงมี สัตว์ผู้เกิดแล้วต้องแก่ต้องตายเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวว่าตทาโคตตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะสิ้นตันหาคลายตันหาดับตันหาสละตันหาสลัดทิ้งตันหาโดยประการทั้งปวงและถึงรู้ยิ่งอาโปเตโช ว, วายโยผู้เทวดาประชาบดีพรมอาพัสระพรมสุภคินหพรมเวหาภละพรม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 ครันรู้ยิ่งนิพพานโดยความเป็นนิพพานแล้วไม่กําหนดหมายซึ่งนิพพานไม่กําหนดหมายในนิพพานไม่กําหนดหมายนอกนิพพานไม่กําหนดหมายนิพพานว่าเป็นของเราไม่ยินดีนิพพานข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะรู้ว่าความเพลิดเพลินเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์เพราะมีภพชาติจึงมีสัตว์ผู้เกิดแล้วต้องแก่ต้องตายเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวว่าตทาคต รัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณพระสิ้นตันหาคลายตันหาดับตันหาสละตันหาสลัดทิ้งตันหาโดยประการทั้งปวงกำหนดภูมิตามในที่8ว่าด้วยพระตราคตจบพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิสนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นได้มีใจยินดีชื่นชมพระภาษิสของพระผู้มีพระภาคดังนี้แล มูละปริยายสูตรที่หนึ่งจบ 2. สัพพาสวะสูตรว่าด้วยอุบายกำจัดอาสวะทั้งปวงเขาพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้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 เธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงเรียกรัดเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้รู้ผู้เห็นเราไม่กล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้ไม่รู้ผู้ไม่เห็นเรากล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้รู้ผู้เห็นอะไรคือผู้รู้ผู้เห็นโยนิสมานสิการและ อาโยนิโสมนัสิการเมื่อพิษ like like ุมนสิการโดยไม่แยบคายอสุวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอสุวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญเมื่อพิษุมานสิการโดยแยบคายอสุวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและอสุวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปพิษุทั้งหลายอสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยทัศนะก็มี อาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการสังวรก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการใช้สอยก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการอดกลั้นก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการเว้นก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการบรรเทาก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการเจริญก็มี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 ไม่รู้ทั่วถึงธรรมที่ไม่ควรมนาสิการเขาเมื่อไม่รู้ทั่วถึงธรรมที่ควรมนาสิการเมื่อไม่รู้ทั่วถึงธรรมที่ไม่ควรมนาสิการย่อมมนาสิการถึงธรรมที่ไม่ควรมนาสิการไม่มนาสิการถึงธรรมที่ควรมนาสิการธรรมที่ไม่ควรมนาสิการซึ่งปุตุชนมนาสิการเป็นอย่างไรคือเมื่อปุตุชนมนสิกานถึงธรรมเหล่าใด กามาสวะที่ย <au ge> ังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญภวาสวะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดแล้วย่อมเจริญและอวิชชาสวะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญเหล่านี้คือธรรมที่ไม่ควรมานสิการซึ่งปุตตุชนมานสิการธรรมที่ควรมานสิกานซึ่งปุตุชนไม่มนัสิการเป็นอย่างไรคือ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 <S S เพราะปุถุชนนั้นมนสิกานถึงธรรมที navigation. Navigation ่มีควรมนสิการไม่มนสิการถึงธรรมที่ควรมนสิการอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญปุถุชนนั้นมนสิการโดยไม่แยบคายอย่างนี้ว่าในอดีตการยาวนานเราได้มีแล้วหรือมิได้มีแล้วหนอเราได้เป็นอะไรมาหนอเราได้เป็นอย่างไรมาหนอ เราได้เป็นอะไรแล้วจึงมาเป็นอะไรอีกหนอในอนาคตการยาวนานเราจากมีหรือจกไม่มีหนอเราจะเป็นอะไรหนอเราจะเป็นอย่างไรหนอเราจะเป็นอะไรแล้วไปเป็นอะไรอีกหนอหรือว่าบัดนี้มีความสงสัยภายในตนปรารบปัจจุบันการกล่าวว่าเรามีอยู่หรือไม่หนอเราเป็นอะไรหนอเราเป็นอย่างไรหนอ สัตว์นี้มาจากไหนหนอและเขาจะไปไหนกันหนอเมื่อปุถุชนนั้นมนัษยการโดยไม่แยบคายอย่างนี้ทิฏฐิความเห็นผิดอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาทิฏฐิหก็เกิดขึ้นคือหนึ่งทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าอัตราของเรามีอยู่ 2. ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าอัตราของเราไม่มีสม ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าเรารู้จักอัตตาได้ด้วยอัตตา 4. ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าเรารู้จักสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาได้ด้วยอัตตา 5. ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าเรารู้จักอัตตาได้ด้วยสิ่งที่ไม่ใช่อัตตา 6. อีกอย่างหนึ่งทิฏฐิเกิดมีแก่ผู้นั้นอย่างนี้ว่า อัตตาของเรานี้ใดเป็นผู้กล่าวเป็นผู้รู้สวยผลแห่งกรรมดีและกรรมชั่วในอารมณ์นั้นๆอัตตาของเรานี้นั้นเป็นสภาวะที่เที่ยงยั่งยืนมั่นคงไม่แปรผันไปเป็นธรรมดาจักดำรงอยู่เสมอด้วยสิ่งที่แน่นอนข้อนี้เราเรียกว่าทิฏฐิได้แก่ปาทึบคือทิฏฐิทางกันดาลคือทิฏฐิเสี้ยนน้าคือทิฏฐิความเดือดร้อนคือทิฏฐิ กิเลสเครื่องผูกพันสัตว์คือทิฏฐิภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าปุตุชนผู้ประกอบด้วยทิฏฐิสังโยชน์ผู้ยังไม่ได้สดับย่อมไม่พ้นจากชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายโศกะความเศร้าโศบริเทวะความครื่มครวญทุกความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจและอุปาญาตความคับแค้นใจย่อมไม่พ้นจากทุกข ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วได้พบพระอริยะทั้งหลายฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมของพระอริยะพบสัตว์บรุษทั้งหลายฉลาดในธรรมของสัตว์บรุษได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมของสัตว์บรุษย่อมรู้ทั่วถึงธรรมที่ควรมนสิการรู้ทั่วถึงธรรมที่ไม่ควรมนุษการอริยสาวกนั้นเมื่อรู้ทั่วถึงธรรมที่ควรมนสิยการ เมื่อรู้ทั่วถึงธรรมที่ไม่ควรมานสิการย่อมไม่มานสิการถึงธรรมที่ไม่ควรมานัสิการมานัสิการถึงแต่ธรรมที่ควรมนสิกานธรรมที่ไม่ควรมานัสิการซึ่งอริยสาวกไม่มานัสิการเป็นอย่างไรคือเมื่ออริยสาวกนั้นมานัสิการถึงธรรมเหล่าใดกามาสวะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญ ภาวาสวะที่ย wow. ังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญและอวิชชาสวะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญเหล่านี้คือธรรมที่ไม่ควรมนสิการซึ่งอริยสาวกไม่มนสิการธรรมที่ควรมนสิการซึ่งอริยสาวกมานสิการเป็นอย่างไรคือเมื่ออริยสาวกนั้นมนัสิกานถึงธรรมเหล่าใด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 มนสิการถึงธรรมที่ควรมนสิการอาสะวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและอาสะวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปอริยสาวกนั้นมนสิการโดยแยบคายว่านิทุกข์สภาวะที่ทนได้ยากนิทุกคาสมุทัยเหตุเกิดทุกนิทุกคาเโรดความดับทุกนิทุกคานินโรทคาม่นีปฏิปทาข้อปฏิบัติใหถึงความดับทุก เมื่ออริยสาวกนั้นมนักสิการโดยแยบคายอย่างนี้สังโยษสคือ 1. สักกายทิฐิความเห็นว่าเป็นตัวของตน 2. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยสาศีลปะตะปรามาสความถือมั่นศีลและวัดย่อมสิ้นไปภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยทัศนะ อ า, อ, อาสวะที่ต้องละด้วยการสังวรอาสวะที่ต้องละด้วยการสังวรเป็นอย่างไรคือภิสุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในจกักขุนสีอยู่ซึ่งเมื่อเธอไม่สำรวมอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอสำรวมอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในโสตินทรียอยู่และถึงภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในคานินทรียอยู่ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในชิวหินรียอยู่ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในกายินทรียอยู่ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้ว เป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในมนินทรีย์อยู่ซึ่งเมื่อเธอไม่สำรวมอยู่อาสะวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอสำรวมอยู่อาสะวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าอาสะวะที่ต้องละด้วยการสังวร